สิกขาบทวิพัง812ที่ชื่อว่าน้ำชําระทําความสะอาดพระผู้มีพระภาคตรัดหมายถึงน้าชําระบริเวณองค์กำเนิดคำว่าผู้จะใช้คือผู้ชล้างคำว่าพึงใช้น้ำชําระทําความสะอาดลึกเพียงสองข้อองคุลีเป็นอย่างมากคือใช้น้าชัมระลึกเพียงสองข้อในสององคุลีเป็นอย่างมาก คำว่าให้เกินกำหนดนั้นความว่าภิกษุณียินดีการสัมผัสให้ล่วงเลยเข้าไปโดยที่สุดเพียงปลายเส้นผมต้องอาบัติปาจิตตี